อย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าเราตื่นมาแล้วสิบปดชั่วโมงเนี่ยนะทำยังไงให้มันเป็นไปกับกุศลขัวแล้วเท่าไหร่ดียี่สิบนาทีสิบแปดชั่วโมงเอาแค่ยี่สิบนาทีมันก็น่าเห็นใจแล้วนะแต่เชื่อไหมบางวันมันไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนี่ดีมันน่าหนักใจเลยนะบอกุยแค่ยี่สิบนาทีเองเหรอน่ก็ให้มันเป็นบ้างเถอะเนี่ยนะมันถ้าหากว่าไม่สามารถหาเหตหาปัจจัยหาอุปนิสยัยกุศ ล, ลจิตเกิดไม่ได้มันจะต้องเป็นคนที่ วางแผนะเตรียมว่าเราจะเป็นกุศลจิตในแต่ละวันได้อย่างไรเพราะฉนั้นโดยเฉพา ะ, ะผู้ที่เป็นคารวะทั้งหลายจะต้องแบ่งเวลาให้กุศลจิตตัวเองเป็นให้เกิดให้ได้จะต้องหาหาช่องหาทางบางคนบอกโอ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเจริญกุศลเมื่อวานยังคุยกับโยมคนหนึ่งเลยก็บอกโอ้ยเขาบวชไม่ได้หรอกครับด้วยเหตุผลใดก็บวชไม่ได้ครอบครัวไม่ให้เขาบวชหรอกเขาบอกงั้นไงก็ไม่ให้บวช มันมีภาระมันอุย้ยอธิบายได้หมดสรุปว่าบวชไม่ได้บอกใช่คุณบวชไม่ได้หรอกถ้าคุณบวชตับเขาจะอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าคุณตายอะได้เขาจะอยู่ได้ทันทีเลยเมื่อคุณตายเนี่ยนะเขาจะยิ้มแมย้มแจ่มใสไม่มีใครเขาคิดตายตามคุณหรอกมเขาไม่เรียบไปตามไปท่วงอะไรมาหรอกแต่ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยลาบวชไม่ได้เท่ากับลาตายอะได้ประมาณนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยลหลายหคนนั้นเป็นอย่างนั้นจนถึง ปิดกั้นช่องทางตัวเองในการเจริญกุศลเรียนแต่วิธีผูกตนให้จมในวัตตะไม่ได้เรียนวิชาเพื่อที่จะให้ออกจากวัตตะไม่อัน น, นเรียนรู้ที่จะผูกตนเอาไว้กับกามกับวัตถุที่น่าปรารถนาะไม่เรียนวิธีแก้ว่าจะแก้ได้อย่างไรพระภุทธที่ศากดิ์ทั้งหลายท่านท่านรู้ว่าเนขมะเป็นปฏิบักต่อสิ่งเหล่านี้ ท, ทุกอย่างเนี่ยท่านมีการวางแผนหมดแล้ว ในหลายๆชาติพระโพธิสัตว์นั้นอย่างเช่นการครองเรือนของท่านท่านบอกว่าท่านจะอยู่ครองเรือนมีครอบครวัวถามว่าใช้เวลาแค่ไหนก็บอกว่าชั่วผมงอกเขาว่ากันเพราลถ้าผมงอกวันไหนวันนั้นคือวันออกบวชอันนี้ก็เป็นผลพวงของการเจริญตัจักรรมฐานเจริญผมคนเล็บเจริญกรรมฐานเป็นต้นเอาไว้อย่างดีในอดีตเพราะฉะนั้นก็จะบอกช่างตัดผมประจําว่าถ้าผมงอกช่วยบอกด้วยนะ ในที่สุดถ้าเจอผมหงอกมาให้ถอนมาดูเส้นหนึ่งบอกโอ้ยความตายอยู่หน้าผากเร า, เลาแล้วเหมือนันแ้วก็จะรีบออกบวชเลยบวชวันนั้นด้วยบวชวันที่รู้ว่าตัวเองผมงอกเลยนะเพราะว่าเป็นสมัยที่จะต้องท่านใช้คําว่าถ้าหากว่าลูกมาขอร้องว่าอย่าบวชเลยถ้าบวชแล้วลูกจะอยู่ยังไงเขาก็จะบอกว่าการมคุณอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้เสเวยได้บริโภคได้ใช้จ่ายได้อยู่สมควรแล้ว บัดนี้เป็นสมัยที่พ่อจะสแสวงหากามาคุณอันเป็นของทิพย์ว่าะงั้นอนะ่ะเป็นเวลาเป็นสมัยที่จะเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่อพบหน้าชาติหน้าต่อไปแล้วเราว่าเตรียมตัวที่ที่จะเดินทางเราคิดกันง่ายๆว่าคนที่จะเดินทางไปแค่สวัน7วันอาทิตย์สองอาทิตย์ไปแค่เดือนสองเดือนเนี่ยนะโอ้ยเตรียมตัวจริงๆอย่างน้อย ก, ก็เตรียมเงินเหมือนกันเถอะให้มันพอที่จะใช้จ่ายอยู่ที่นั่นแต่ไอไปชนิดไม่กลับเนี่ยนะ เตรียมน้อยมากเนี่ยห ร, ห, รหรือบางคนแทบจะไม่เคยเตรียมเลยแทบจะไม่เคยคิดเลยแม้แต่ให้ทานก็ให้ไปยังงั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังผลอะไรหรอกให้เพื่อน่าตาศักดิ์ศรีเกียรติยศให้เพื่ออย่างอื่นไปแต่ไม่ได้คิดว่านี้เป็นสเสบียงทางต่อไปในอนาคตของเราเนี่ยนะก็ให้เพราะว่าเกรงใจคนบอกบัางเกรงใจคนแนะนาบ้างเกรงใจผู้รับบ้างก็เลยใ ห, ให้ให้ไปงั้นแหละ แต่ก็ไม่ได้ให้เพื่อหวังที่ว่าเออนี่เป็นสเสบียงทางต่อไปของเรานะก็ไม่ได้รู้ผลอะไรในลักษณะนั้นดังนั้นคนเหล่านี้ก็เลยติดข้องก็เลยเรียกว่าไม่เตรียมตัวที่จะเดินทางคนที่ไม่เตรียมตัวเดินทางเนี่ยนะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเวลาป่วยเวลาไขา่เห็นเขาทุกข์เขาเจ็บป่วยขนาดไหนเข้ามาก็จะคิดในใจอยากตายนะอยู่ไปเถอะมันจะเจ็บมันจะปวดบ้างก็ขาทนท น, ทนไปก็แล้วกัน บอกทําไมอ่ะเหมือนกับว่าโอ้ยทําไมให้ทนทุกข์ขนาดนั้นบอกนี่ทุกข์เล็กน้อยว่า ง, งั้นถ้าท่านละกองทุกข์อันนี้กองทุกข์อันใหม่มันมาหาทุกข์ที่ใหญ่กว่านี้อันนี้เจ็บปวดขนาดนี้ก็ทนทนไปเถอะเนี่ยนะสำหรับคนที่บุญน้อยเนี่ยนะถ้าบุญน้อยถึงว่าบางคนทําบุญถึงว่าโอ้สามารถทําจิตให้เป็นกุศลได้ก่อนตายก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วมาเป็นมนุษย์จะมาอยู่เป็นมนุษย์ฐานะไหน ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หยาบกระด้างถือตัวเย่อหยิ่งไม่อ่อนน้อมคนที่ควรอ่อนน้อมชาติตระกูลก็เป็นตระกูลต่ตําต่อไปในอนาคตให้ทานไว้ก่อน้อยตระกูลต่ําไม่ว่าก็จนจนขี้โกรธก็ปานนั้นชาติหน้าก็รูปไม่งามฟังธรรมก็ไม่เคยฟังไม่เคยสนใจอะไรเลยไม่เคยสวดมนต์สวดมนต์สวดพรใครว่าเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญาก็าไม่เอาเลยชาติหน้าก็โง่อีกนะสรุปแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงชาติต่ อ, ต, อต่อไป พอมารู้จักคนประเภทนี้ไม่ใช่น้อยแต่ว่าวัตตะมันอยู่ได้หมดอะอยู่ได้ในทุกสภาพพิการจะกุดขนาดไหนก็อยู่ได้จะกุดจะแขนกุดค้ากุดแต่หัวกุดนี่อยู่ไม่ได้อยู่ได้เฉพาะในคันเนี่ยนะถ้าอยู่ในท้องหัวกุดนี่อยู่ได้แต่คลอดออกมาแล้วหัวกุดนี่ไม่รอดเนีนะมันก็น่าคิดนะว่าถ้าเราไม่เจริญกุศลให้มากๆากเลยนะอย่าลืมว่าใจทั้งหลายเนี่แหละมันเป็นหัวหน้าของชีวิต หัวหน้าของสังสารวัตจุติปฏิสนธิการมีในพบใหม่ตัวที่เป็นไปครั้งแรกตัวที่มีครั้งแรกก็คือจิตจิตนี่เป็นประธานแห่งปฏิสนธิจิตทั้งหลายก็ไหลสืบเนื่องกันไปถ้าเราไม่พยายามทาใจให้ผ่องใสไม่เจริญใจให้เป็นกุศลเนี่ยนะเราก็เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดอย่าลืมว่าจิตมันอยู่ได้ในที่ทุกที่อุณภูมิได้ทุกประเภทมันอยู่ได้หมด ตั้งแต่อุโมงมิติดลบมันก็อยู่ได้จนถึงเป็นหมื่นองศามันก็ทนอยู่ได้ทนอยู่ได้ทุกฝนทุกแห่งไปหมดเลยแล้วก็พยายามฝึกฝึกฝนที่จะให้ใจเป็นไปกับกุศลให้มากแผ่นดินที่แห้งแล้งแมลงวันไม่ได้กลับลดลงเลยแมลงวันมันกลับมากเพราะอะไรยังแปลกใจอยู่นะพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเนี่ยนะแมลงวันเยอะสัตว์ในอบายนี่เยอะจริงๆเลยพวกแมลงเล็กแมลงน้อย อย่างแถวแถวทะเลสายอยากคิดว่าไม่มีเดรชาณ น, นะนดรชาณเต้นไปหมดเลยแมลงเนี่ยเยอะไอ้พวกนั้นก็เก็บแมลงนั่นแหละมากิ น, นแล้วเราก็พยายามที่จะเจริญกุศล น, นั้นกุศลจิตที่ใครสามารถทําให้เป็นได้ให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยและกุศลจิตเกิดได้ต่อเนื่องเป็นอโทศะที่ไหลไปสืบเนื่องใครที่ทําให้อโทศะเจริญอย่างสืบเนื่องยาวเขาเรียกว่าเจริญเมตตา อโทสะอันนันถประกอบด้วยกรุณาก็เป็นการเจริญกรุณาเป็นไปกับมุทิตาหรือเป็นไปกับอุเบกขาพราะมิหารทั้งหลายก็นับว่าเป็นเนฆา ม, มะเป็นกุศลธรรมเนี่ยนะหรือเจริญอะโลภะเนี่ยนะเจริญอะโลภะให้จิตโคจรไปในอสุภะ ท, ทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองให้ใจเป็นไปกับสุจริตธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอนาพิชาเป็นอัพยาบาศ กุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นไปเพราะคุณธรรมอันนั้นก็เป็นเนคขมะทีนี้รู้เลยว่าหัวหน้าของของเนคขมะที่จะเป็นไปได้ดีก็ต้องมีปัญญาก็มาดูว่าปัญญาเป็นปฏิบักษต่ออะไรก็เป็นปฏิบักษต่อความโลภเป็นต้นเพราะมีปัญญานั่นแหละจึงให้ทานได้ เพราะมีปัญญานั่นแหละจึงรักษาศีลเพราะมีปัญญาจึงเจริญเนคขมมะไม่ประทุสร้ายใจของตัวให้เกลือกกล้วอยู่ด้วยบา ป, ปรกรรมปัญญานี่แหละทําให้ใจเจริญเนคขมมะไม่ให้จิตใจเกลือกกลั้วไปในอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นก็ทําจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนี่ปัญญานั้นเป็นประธานที่นําหน้าแห่งการให้ทานเพราะว่าเห็นผลของการให้ทานจึงให้ทานเพราะมีปัญญา รู้ผลจึงมีการรักษาศีลเจริญเนกขมมะปัญญาทั้งหลายก็อบรมรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ความเจริญเติบโตแห่งกุศลธรรมรู้อุปนิสัยแห่งการเจริญกุศลธรรมปิดช่องแห่งอกุศลเปิดทางแห่งการเจริญกุศลเพราะผู้ที่มีปัญญาก็จะตั้งอัตตะสัมมาปณิทิตั้งความปรารถนาไว้ว่ากุศลที่ยังไม่เกิดก็จะทําให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพอกพูนไถ่บุ์ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแล้วก็ปิดช่องทางแห่งความโลภความโกรธความหลงปิดช่องทางแห่งบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายก็อย่างว่าใครที่ฉลาดคิดเนี่ยนะปิดช่องทางแห่งหนี้สินได้ไหมเปิดช่องทางแห่งทรัพย์สินได้ไหมถ้ามีปัญญาฉนาันใดผู้ที่มีปัญญาในทางกุศลธรรมก็ฉันนั้นปิดช่องทางแห่งบาปประธรรมทุกชนิดเปิดช่องทางแห่งกุศลธรรมทุกอย่างปิดช่องทางแห่งความโลภความโกรธและความลุ่มหลงโง่เขางมงาย เปิดช่องทางแห่งความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเปิดช่องทางแห่งสติปัญญาเสา ะ, ะแสวงหาเหตุปัจจัยที่จะทําให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะนี่ต่อไปกูโซลธรรมทั้งหลายอย่าลืมว่าการเจริญการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเป็นเรื่องของคนกล้าเป็นเรื่องของผู้ที่มีความเพียรเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ย่อหย่อนแต่คำว่าเพียรเนี่ยต้องไม่ถึงไม่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แปลว่า พอดีเจริญได้อย่างพอดีเรียกว่ารักษาปริมาณเหมือนกับรถที่วิ่งพอดีกำลังแห่งรถและกำลังแห่งถนนหาความพอดีว่าถนนระดับนี้เนี่ยนะสมมติว่าความเพียรเนี่ยถนนระดับนี้กับสภาพรถแบบนี้ฝีมือของคนขับระดับนี้ควรจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยนะ ก็คือหาความเหมาะสมไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้นะวิริยะก็เหมือนการความต่อเนื่องแห่งกุศลความภาพเพียรพยายามในการเจริญกุศลในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ยืนเดินนั่งและนอนหรือการเจริญกุศลในทุกทวารและก็ทุกอารมณ์แล้วก็ตั้งเป้าเพื่อความเพียรเพื่อให้เจริญด้วยความรู้วิริยะนี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับตัวที่อุดหนุนเป็นเหมือนกับกองหนุนเป็นพระอก กองหนุนทั้งหลายเนี่ยนะกองหนุนก็จะทำให้กองหน้านั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ท้อถอยส่วนการเจริญกุศลธรรมในโลกนี้โดยปกติรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็มีปฏิปักษ์แน่นอนมีอุปสรรคนา น, นับประการไอตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความอดทนเนี่ยนะอุปสรรคในโลกนี้มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ อุปสรรคขัดขวางต่อการเจริญกุศลสําหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนไม่เคยศึกษาวิธีการเจริญกุศลพวกเหล่านี้ก็จะมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดนั้นเบื้องต้นนี้จะต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงมากอย่างคนที่เรียนธรรมะนี่นะอันหนึ่งที่จะต้องใช้ความอดทนก็คืออันโน้นเราก็ไม่รู้ฟังทุกคําก็ไม่รู้สักเรื่องเลยนะฟังแล้วยิ่งมึนฟังแล้วยิ่งงง เคยมีบางคนฟังแล้วก็ล้าตาไรกลับบ้านไปร้องให้ต่ออีกนะถามว่าทําไมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พระเพิอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็รู้ว่าดีเหมือนกันก็ทนไปสู้ไปทนไปเพราะนั้นบางทีมันไม่รู้ไปทุกเรื่องอุปสรรคขัดขวางไปทุกอย่างมันก็ลําบากเลยแหละพรันจะต้องอาศัยความอดทนในการเจริญกุศลให้ทานก็ต้องอาศัยความอดทนจริงกระทำได้รักษาศีลก็อาศัยความอดทนเจริญเ น, นคคัมมะก็ต้องอดทน อบรมปัญญาก็ต้องอดทนยิ่งผู้ที่ต้องอยู่ด้วยความเพียรจาต้องมีความอดทนอย่างมากเนี่ยนะนั้นความอดทนนั้นทนเพื่ออะไรถามว่าทนอดก็อดทนคนละอย่างนะทนอดก็คือเดือดร้อนขนาดไหนก็ยอมทนด้วยความโง่เขลานนั้นเรียกว่าทนอดแต่ในอดทนในที่นี้คือรู้ช่องทางแห่งความเจริญเติบโ ต, ตเข้าใจในลักษณะของปัญหาและอุปสรรค ก็เหมือนกับว่าผ่านณนจุดนี้ไปเดี๋ยวอย่างก็ว่าทนเอาหน่อยนะความมืดเดี๋ยวก็ผ่านไปความสว่างก็จะเข้าออมาเอาทนเถอะมันแรงอย่างนี้อีกไม่นานผ่านไปฝนก็จะตกลงมาหนาวเหน็บเดี๋ยวก็ร้อนร้อนระอูดเดี๋ยวก็หนาวเย็นเนี่ยนะก็คือมองอ่ามองข้างหน้าอย่างตลอดสายเมื่อมองข้างหน้าอย่างตลอดสายก็เข้าใจเลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไร ก็ทําให้มีน้ําอดน้ําทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้เรียกว่าเหมือนกับเดียวก็เจาะทะลุแล้วกว็งัน้นแต่คนที่มีความอดทนเนี่ยนะจะต้องรู้นะว่าอะไรควรจะมีข้างหน้าต่อไปไม่ใช่ทนแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาทนแบบทนแบบโง่เขลางมงายจําทนจํำนนเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่คําว่าอดทนในที่นี้ก็คือรู้อะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้ากองเกวียนเป็นหัวหน้ากองเฟียนพาบริวารไป ค้าขายต้องผ่านทะเลทรายเพื่อจะไปค้าขายอีกเมืองหนึ่งก็พาบริวารไปนี่พอไปมีอยครั้งหนึ่งไอ้ต้นกองเกวียนเนี่ยมันเกิดหลับไปอ่ะปกติมันจะต้องต้องเดินไปถึงจุดหมายได้มันก็ไอคนนําหน้ามันก็เกิดหลับพอหลับปั๊บมันก็เกวียนเนี่ยมันเกิดมันหันไปค่อยๆหันหันนานแล้วมันกลับไปอยู่ที่เก่าเช้ามามันอยู่ที่เขาพอดีเป๊ะเลยบอกเฮ้ยแย่แล้วเนี่ยเดินทางผิด เมื่อเดินทางผิดนี่สเสบียงทางก็มีการวางแผนไว้ว่าแค่พอดีเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมดทีนี้มันขัดกับเป้าเข้ามันไม่เป็นไปตามที่วางแผนน้ำก็ขาดยากกากันดานไม่มีไอ้ที่สำคัญก็คือน้ำไม่มีน้ำจะดื่มก็ทำง่ายได้พระโพธิสัก็เดินสำรวจหาช่องทางว่าตรงไหนที่พอจะมีน้ำได้บ้างก็จะได้ขุดก็เลยไปเห็นตรงที่มันมีพืชสีเขียวขึ้น งอกขึ้นก็บอกข้างล่างนี้ต้องมีน้ําถ้าไม่ข้างล่างไม่มีน้ําพืชอันนี้จะมีได้อย่างไรก็เลยเอา้าวช่วยให้คนงานเนี่ยลูกน้องทั้งหมดมารวมกันแวกแวกแวกแวกแล้วก็ขุดบ่อลงไปนี่ขุดขุดทุกคนเนี่ยโอ้กป็ปีกกระเป๋าเดี๋ยวก็เจอน้ำเพราะดินมันทําท่าจะเปียกจะแฉะเดี๋ยวก็เจอน้ําเดี๋ยวก็เจอน้ําขุดขุดไ ป, ไปไปเจอหินเขา่าทุกคนหมดเรี่ยวหแรงเลยเลิกเลยนะไม่เอาแล้วไม่เชื่อท่านแล้วนี่มันหินชั ด, ชดๆน้ํามีที่ไหน พระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงลูกน้องไม่ทํางานะนะเพราะท่านก็อายุมากแล้วนะหัวหน้าอายุมากแล้วก็ให้กําลังใจลูกน้องคนหนึ่งบอกเธอเพียรต่อไปเธอช่วยสกัดหินต่อไปนะอีกไม่นานหรอกน้ำเนี่ยเนี่ยฟังดูเนี่ยมันมีเสียงน้ําอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นช่องทางน้ําของน้ํากระแสช่องทางของน้ามันไหลยอยู่ข้างล่างเนี่ยเธอฟังให้ดีนะบางทีเราก็ให้ค่อยๆเจาะไปต่านก็ น, นั่งคอยนั่งพูดนั่งคุยให้กําลังใจไปเรื่อยๆ ลูกน้องก็สกัดเห็นก็ก๊อกก๊กกทอมไปเจาะเห็นไปในที่สุดมันก็ทะลุน้ําก็พุ่งขึ้นมาอันนั้นหมายความว่าโดยหลักการเหตุผลแล้วเข้าใจเพียงแต่ว่ามันมีก้อนหินบังอยู่เท่านั้นเองถ้าเจาะทะลุไปแล้วก็ได้น้ํำดื่มฉันใดผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามและก็มีความอดทนนั้นจะต้องมีปัญญานําหน้าหมดแล้วเนี่ยนะวิเคราะห์เจาะลึกไม่มีทางอื่นไม่มีวิธยียการอื่นแต่ว่า ความภาพเพียงพยายามอยู่ด้วยความอดทนจะทำให้ทะลุได้ในที่สุดสัตว์ก็ไม่ตายทุกคนก็มีน้ำดื่มสัตว์ทั้งหลายก็มีน้ำดื่มในที่สุดก็เตรียมสเสบียงได้ก็ออกเดินทางต่อก็พ้นจากถิ่นกันดารฉั้นใในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะในโลกนี้มันไม่มีทุกคนจะไม่ทำอะไรและสาเร็จสมประสงค์ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราคิดนะชีวิตวันนี้เราไม่มีรอ ถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาไม่มีใครได้ศึกษาธรรมะหรองตั้งแต่เล็กกั น, น้อยวางแผนเมื่อจะเรียนธรรมะไหมโตขึ้นมานะัฉันจะต้องเห็นอริยสัจฉันจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนเนี่ยนะวุ้ยไม่ได้วางแผนกันอย่างนี้หรอกถ้าเป็นอย่างที่วางแผนคิดไว้สมัยตั้งแต่แรกรุ่นนะอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยนะน้าพี่เต๋ยนะไม่ได้มาเส้นนี้แล้วนะถ้าตอนที่กําลังปฐมพอรู้ความหน่อยนะไม่เคยมีอยู่ในหัวใจเลยนะนั้นถ้าหากว่า แล้วก็อดทนเถอะในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละห ล, ลายเรื่องบุญมันก็นำไปกรรมมันก็ตกแต่งไปบุญกรรมนาแต่งก็นำไปทำไปแต่ว่าเป้าหมายความชัดเจนในการเจริญบุญกุศลก็ต้องชัดเจนนั้นเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิธีการที่แน่นอนก็จะทำให้เราทนได้ในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาก็จะเต็มไปด้วยความอดทน ไอ้ที่อดทนเพราะเห็นผลเห็นกําไรที่จะมีต่อไปในอนาคตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านให้ทานได้ก็เพราะว่าท่านเห็นผลเห็นกําไรต่อไปที่จะมีในอนาคตความอดทนของท่านจึงสูงเกินกว่าคนปกติที่จะทนได้การรักษาศีลก็รักษาด้วยความอดทนเพราะรู้ผลรู้กําไรรู้ทุกโทษของการไม่รักษาศีลเห็นผลเห็นอนิสงค์ของการรักษาศีลท่านก็เลยมีความอดทน อดทนต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาไม่ให้สิ่งที่น่าปรารถนาพาฉุดไปตกอยู่ในกองแห่งทุกกองแห่งบาปและอกุศลไม่ถูกสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะทำให้เป็นอุปสรรคห้ามปราการเจริญบุญกุศลอันนี้ก็เป็นขันติที่เป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดความ ความโลภและความโกรธเนี่ยนะเพราะว่าท่านอดทนต่อการพิจารณาต่อความศูนย์ศูนย์ก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายศูนย์จากความเที่ยงความสุขและความยั่งยืนศูนย์จากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเป็นต้นท่านรู้วิธีการเจริญช่องทางแห่งการเจริญกุศลก็เลยรักษาความต่อเนื่องแห่งกุศลธรรมทั้งหลายแต่ที่สําคัญคนที่มีความอดทนได้ก็เนื่องจากมีสัจจะนี่ยนะสัจจะก็สําคัญ เพราะสัจจะเป็นปฏิปักต่อความโลภความโกรธและความหลงเพราะตัวเองมีสัจจะกับตัวว่าเช่นบางคนที่ไม่เอาอะไรก็เพราะว่าตั้งเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่เอาอะไรนั่นเองก็ตั้งไว้แล้วว่าจะไม่โกรธตั้งเอาไว้แล้วว่าจะไม่หลงก็ตั้งเป้าไว้อาศัยสัจจะตั้งวาจาไว้เลยว่าจะไม่เสริมสร้างความโลภไม่เสริมสร้างความโกรธและความลุ่มหลงมีวาจาสัจก็เลยทาทุกอย่างเป็นไปตาม ความจริงเนี่ยนะเป็นไปตามความจริงความจริงเป็นมีอะไรบ้างนะความจริงที่เรียกว่ากรรมมีกรรมมีผลของกรรมมีดีมีชั่วมีบุญมีบาบมีเหตุแห่งความเจริญมีเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้นเมื่อรู้ความจริงของกรรมรู้ความจริงของผลของกรรมรู้ความจริงแห่งความไหลไปสืบเนื่องไปในวัตตะแล้วก็พูดไม่ให้ขัดกับความจริง ในทวารทั้ง6ในอารมณ์ทั้งหกไม่ให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในการไหลไปในกระแสะแห่งสังสารวัฏที่นี้ก็ไม่ให้ขัดอรอบรู้ว่าความจริงที่จะออกจากวัตะได้เป็นอย่างไรทั้นเมื่อท่านรอบรู้ในความเป็นจริงก็เลยเมื่อผู้อื่นทําอุปการะและความเสียหายให้ถึงคนอื่นก็บอกว่ามาสร้างความเสียหายก็ไม่ยอมเดินนอกเส้นทางแห่งความจริงหรือได้รับอุปการะจน ทำความจริงให้เสียหายเป็นต้นก็ไม่มีเพราะดํารงมั่นอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยนะความจริงของกรรมความจริงแห่งผลของกรรมความจริงแห่งบุญและบาปในที่สุดเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อรู้อริยสัจจะที่เป็นความจริงนั้นคำพูดทุกอย่างก็ต้องสอบคล้องต่อหลักแห่งความเป็นจริงว่าจริงที่สุดเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ปรารถนาคือปัญญาปัญญาที่เป็นโพธิญาณก็คือรู้ความจริงแห่ง สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะรู้เลยเลยว่าสรรพสิ่งเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างไรนะสรรพสิ่งเหล่าใดควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้สรรพสิ่งเหล่าใดควรละควรเจริญและควรทําให้แจ้งเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งทุกที่เบียดเบียนบีบคั้นเจริญแต่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเพื่อความพ้นทุกข์เรียกว่า ด, ดําเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นจริงด้วย ปัญญาที่แท้จริงก็เรียกว่าญาณสัจจะหรือว่าขันติยานเนี่ยนะขันติยานขันติบางทีก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันเรียกว่าขันติยานนี้ต่อไปคนที่มีสัจจวาจาเนี่ยนะอธิฐานเนี่ยสำคัญจะต้องเป็นคนที่ขยันตั้งอธิษฐานก็คืออัตตะสัมมาปณิทิตตั้งบ่อยๆตั้งเพื่อให้กุศลธรรมอธิฐานนั้นอย่าลืมว่าอธิษฐานคืออะไรคืออธิษฐานเพื่อที่จะ ให้ทานอธิษฐานแปลว่าการตั้งใจที่จะให้ทานตั้งใจที่จะรักษาศีลตั้งใจที่จะเจริญเนคธรมมตั้งใจที่จะเจริญปัญญาตั้งใจที่จะภาเพียรด้วยวิริยะตั้งใจที่จะมีความอดทนตั้งใจไว้ว่าจะดำรงอยู่ในสัจจะทั้งหลายนั้นเป็นการตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วก็ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจบ่อยไหมตั้งใจอย่างบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องกุศลธรรมทั้งหลายนี่มีอะไรนําหน้า กุศลธรรมทั้งหลายมีอาวัชนะนําหน้าก็ตั้งใจเพื่อให้อาวชนะการน้อมนึกอย่างที่ว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไปตามที่เรานึกนั้นก็ต้องนึกให้บ่อยๆนึกบ่อยๆที่จะเป็นไจเพื่อการเจริญกุศลตั้งเป้าเพื่อการเจริญกุศลอธิษฐานในการเจริญกุศลได้อย่างบ่อยและต่อเนื่องตั้งไว้เลยว่าพรุ่งนี้จะเจริญกุศลอะไรป ร, รืนนี้หรือต่อๆ่ไประยะยาวๆเนี่ยจะมีการเจริญกุศลอะไร เจริญกุศลวันนี้เจริญอะไรพรุ่งนี้เจริญอะไรปรืญนี้เจริญอะไรอาทิตย์นี้เจริญอะไรอาทิตย์หน้าเจริญกุศลอะไรเดือนหน้าหรือปีหน้าหรือต่อๆไปเนี่ยจะมีการเจริญกุศลธรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดเลยว่าชาติต่อต่อไปจะเจริญกุศลธรรมอะไรเนี่ยนะท่านคิดเผื่อหลายๆชาติด้วยซ้ําไปเพราะถ้าไม่มีการตั้งเป้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะคิดหรือว่าจะดำรงอยู่ใน กุศลธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อไปเจอโลกธรรมฝ่ายดีก็หลงลืมการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะมัวแต่เพลิดเพลิพลนมัวแต่ติดมัวแต่คล้องเลยลืมเจริญกุศลลืมเจริญบา ร, รมีเพราะไปถือเอาผลแห่งบุญเนี่ยนะมัวแต่เสเวยผลแห่งบุญไม่กลับมาหาเหตุไม่กลับมาหาการเจริญบา ร, รมีหรือบางคนเนี่ยนะเมื่อบาปให้ผลท่วมทับก็เลยมัวแต่ วันไหวมัวแต่เดือดร้อนมัวแต่เล่าร้อนก็ลืมทำบุญอีกนั่นแหละอันมูสัตทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนามากๆเข้าโดยมากก็วันไหวไม่ยอมเจริญกุศลอีกต่อไปเมื่อไปเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็อ้างเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลอยู่ในฐานะคนระดับสูงมีสัรพสิ่งทั้งหมดก็บอกว่าเดือดร้อนว่าไม่มีเวลาเพราะต้องบริหารไปเจอคนระดับล่างๆอีกก็บอกว่า ไม่มีเวลาจริงๆเพราะต้องทํามาหากินไอ้คนระดับกลางก็บอกว่านี่นะถ้าหากว่าไม่รักษาไม่แสวงหาไม่ทําอย่างนี้ต่อไปขึ้นระดับสูงไม่ได้เดี๋ยวตกไปอยู่ระดับล่างสรุปว่าทุกกลุ่มอ้างเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลไม่รู้ว่าอยู่ตําแหน่งตําแหน่งน้อยก็บอกโอ้ตัวเองทําไม่ได้หรอกอำนาจน้อยขึ้นไปอยู่ระดับสูงหมวแต่ยุ่งเรื่องการบริหารอยู่ปานกลางเดี๋ยวตกอํานาจเนี่ยจะขึ้นระดับสูงไม่ได้ก็เลยอ้างอธิบายได้จนไม่สามารถจะเจริญบุญกุศลพัน อันเนี้ยที่จะต้องมีการอธิษฐานมีการสมาทานมีการตั้งเป้าเอาไว้อย่างชัดเจนนะไม่อธิษฐานไม่สมาทานไม่อธิษฐานเอาไว้อย่างดีๆนะยากอย่างที่ว่าเหมือนเราจะไปแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนะสมมติถ้าเราเป็นคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ว่าจะไปไหว้เจดีนะไปไม่ถึงเจดีร้องเนี่ยนะไปเจอสิ่งที่น่าปราถนาก็แวะเรียบร้อยเนี่ยนะยื้อไปอ่าไปไหว้พระต่างจังหวัดก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจเอาไว้ให้มันชัดเจน อไปเจออะไรสักอย่างอาจจะแวะไปเนี่ยนะหรือดีไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจเอาไว้ให้มันชัดเจนเนี่ยอยู่ในที่ที่น่าเพลดิดเพลินมากกว่าไอ้ที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปทําบุญเพราะั้นความชัดเจนเป้าหมายจะต้องตั้งเอาไว้ให้ดีสมาทานอธิษฐานให้มั่นคงเขาเรียกว่าขูดร่องแห่งบุญกุศลให้ไหลไปในกระแสแห่งความคิดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ถ้าไม่มีการขูดร่องกําหนดทิศทางให้ดีๆเนี่ย ยากที่กุศลธรรมจะเกิดขึ้นเพราะมีอยู่สองคํากาบอกว่าปล่อยวางกับปล่อยประละเลยเนี่ยนะท่านบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้ยอ้างคําว่าปล่อยวางโดยที่พฤติกรรมปล่อยประละเลยทุกอย่างเลยนะก็เลยเรียกว่าไม่ยึดไม่ถือที่ไหนได้ปล่อยประละเลยไม่ใช่ปล่อยวางคําว่าปล่อยวางก็คือปล่อยจากความยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาน้อมไปเพื่อเจริญบุญกุศลโอนไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นก็เรียกว่าปล่อยวาง ถ้าปล่อยปละละเลยก็ไม่สนใจในการเจริญกุศลอยู่กับเกลือกลั้วกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยทีนี้การตั้งใจในการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์อธิษฐานทุกอย่างเพื่อการให้ทานรักษาศีลเนคธรรมะอบรมปัญญาเจริญวิริยะมีความอดทนทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพราะก็คือสงบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายจะได้เจริญเมตตาเนี่ยนะ เมตตาที่น้อมนําประโยชน์น้อมนําความสุขไปให้แก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าใจของสัตว์ทั้งหลายโดยปกติปกติของสัตว์โดยพื้นฐานไม่ใช่น้อยทําลายประโยชน์ตัวเองสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะพื้นฐานรวมๆและขาดเมตตาต่อตนขาดเมตตาต่อผู้อื่นไม่คิดถึงประโยชน์ตนไม่คิดประโยชน์ของ ผู้อื่นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นการมอมเมาด้วยยาเสพติดทั้งหลายจะมีหรือก็ไม่รู้ประโยชน์ตนไม่รู้ประโยชน์ของคนอื่นจึงม MM ีการมอมเมาด้วยยาเสพติดทั้งหลายว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าติดยาเสพติดเป็นต้นทําลายตัวเองขนาดไหนทําลายครอบครัวขนาดไหนทําลายคนข้างเคียงเป็นต้นขนาดไหนเพราะมุ่งทําลายตัวเองนั่นแหละก็เลยทําลายตัวเองด้วยทําลายพวกพ้องด้วยก็เลยชวนกันดื่มสุรา ดื่มยาเมาเป็นต้นเนี่ยนะไอการกระทําสิ่งเหล่านั้นก็คือการทําลายตนพร้อมทั้งคนอื่นทําลายประโยชน์ตนทําลายประโยชน์ผู้อื่นใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลุ่มลงและงมงายอยู่ด้วยความมัวเมาเนี่ยนะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างแต่บาปอกุศลสร้างแต่ทุกข์โทษให้แก่ตัวเองเพราะไม่คิดจะให้ตัวเองประสบแต่ความสุขและความเจริญ อย่างหลายๆคนนี่รู้นะว่าอะไรเป็นทางแห่งความเจริญรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้บอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญบอกมงค์นเป็นเหตุแห่งความเจริญความสวัสดีใช่ไหมมงค์คนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญใครตั้งใจขูดร่องว่าฉันจะเดินตามมงคลอย่างเป๊ะโดยที่ไม่ไม่หลีกออกจากทางแห่งมงคลคนสามสีแปดที่พระพุทธเจ้าแนะนําเลยไม่มากนะเชื่อเถอะรู้นะว่ามงคลคนี่สวดกันบ่อยๆสวดเช้าสวดเย็นเลยซ้ําไป แต่ก็สวดบอกว่าเออมงคล น, นี่ดีเพราะดีฟังแล้วมีเหตุผลดีสวดและสบายใจดีเป็นต้นแต่มีเป้าหมายตั้งไว้ชัดเจนไว้ว่าจะดําเนินไปตามทางแห่งมงคลเพราะถ้าอัปมงคล น, นี่เสื่อมแน่ถ้าเป็นไปตามมงคลเจริญอย่างเดียวรู้ว่ามงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้ว่าอัปมงคลเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเราตั้งเป้าไว้ไหมเพื่อที่จะเจริญ มงคลว่าชีวิตของเราณนะไปยูนฮะจุดนั้นตรงนั้นแห่งนั้นไปเพื่อเจริญมงคลนะนะอย่างเช่นเอ่อถ้าเรานั่งฟังธรรมนี่จะได้มงคลกี่ข้ออะไรบ้างมงคลข้อไหนที่เราจะต้องเพิ่มพูนเนี่ยนะมงคลที่ไหนยังขาดแล้วก็ต้องรักษาและเพิ่มพูนขึ้นเย็นนี้คืนนี้ต่อไปจะได้มงคลอะไรพรุ่งนี้จะเจริญมงคลอะไรปา ร, รึนนี้ต่อไปจะเป็นมงคลอะไรและจะตัดอัปมงคลข้อไหนๆออกไปบ้าง จะละมงคลอะไรๆ อ, ออกไปบ้างมงคลตัวไหนที่เราทำแล้วยังขาดตกบกพร่องเพราะนั่นเป็นเหตุแห่งความสุขนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าอปมงคลก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความเลวร้ายเป็นเหตุแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเสียหายทั้งพบนี้และพบอื่นต่อๆไปพันผู้ที่มีเมตาก็คือใครคือผู้ที่น้อม ขอเราจงเจริญในเส้นทางแห่งมงคลตั้งเป้าเพื่อการเจริญมงคลมงคลถ้าบารมีสิบขยายออกไปแล้วก็คือมงคลมงคลถ้าย่อลงมาอีกแนวหนึ่งก็คือบารมีทั้ง1ิบประการนั่นแหละนั้นก็ตั้งเป้า่ะถ้าผู้ที่มีมงคลผู้นั้นก็ประสบแต่ความสุขและความเจริญผู้ที่มีความเจริญก็เพราะเดินตามทางแห่งมงคลถามว่าถ้าอัปมงคลเมื่อไหร่ทุกไหมทุกแน่นอนเนี่ยนะ พรนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ย้ท่านมีเมตตาต่อตัวท่านว่าถ้าท่านไม่ให้ทานท่านขาดเมตตาต่อตัวเองและขาดเมตตาต่อผู้อื่นถ้าท่านไม่รักษาศีลไม่เจริญเนคคัมมะไม่มีปัญญาไม่มีวิรยิยะขาดความอดทนไม่มีสัจจะขาดอธิษฐานความชัดเจนที่แน่นอนก็เชื่อว่าขาดเมตตาต่อตอน ขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีต่อตนเพราะคุณธรรมที่กล่าวไปแล้วเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญเป็นเหตุแห่งความเจริญในภพนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญในภพหน้าเป็นเหตุแห่งความเจริญสูงสุดสามารถบรรลุโพธิญาณได้ถ้าไม่เจริญก็เรียกว่าก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตนเพราะตอนอยากจะเสื่อมทีนี้ท่านก็มีกรุณาต่อตัวท่านว่าถ้าท่านไม่บำเพ็ญบารมีเหล่านี้เนี่ยท่านเดือดร้อนไหม เดือดร้อนแน่นอนถ้าท่านไม่บำเพ็ญเนี่ยสัตว์อื่นเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสัตว์อื่นเดือดร้อนไหมสัตว์อื่นเสียหายไหมก็เหมือนอย่างว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยนะสัตว์โลกจะอยู่อย่างไรถ้าโลกนี้เป็นโลกที่บอดหมดเลยเนี่ยสัตว์โลกจะอยู่กันอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับดวงตาแห่งสัตว์โลกเมื่อพระองค์ได้ดวงตา มีธรรมจักสุเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ประทานจักสุดวงตาปัญญาเป็นต้นธรรมจักสุเป็นต้นให้แก่สัตว์โลกพระองค์มีเมตตาต่อพระองค์เองและต่อสัตว์อื่นเมื่อพระองค์มีเมตาน้อมนาประโยชน์ให้แก่พระองค์และสัตว์อื่นพระองค์ก็เห็นว่าถ้าไม่มีมงคลไม่มีการสร้างบารมีมีแต่ความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นแหละที่จะมีขึ้นเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าพ่อบ้านแม่บ้านที่ขยันขันแ ข, ข็งเนี่ย รู้อะไรรู้ว่าถ้ามีทรัพย์มีโภอทรัพย์เจริญด้วยโภอทรัพย์ตัวเองและครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตัวเองไม่มีโภอขทรัพย์หรือถ้าครอบครัวทั้งหมดไม่มีโภอทรัพย์ตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนก็เลยขวนขวายในการสแสวงหาโภอทรัพย์ฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสแสวงหาอริยทรัพย์สแสวงหาบารมีทั้งสิบก็ฉันนั้นท่านเห็นเลยว่า ถ้าท่านไม่สร้างบารมีทั้งหลายท่านเองก็เดือดร้อนสัตว์อื่นก็เดือดร้อนแต่ถ้าท่านสร้างบารมีท่านเองก็ประสบความสุขสัตว์อื่นก็ประสบความสุขถ้าท่านเจริญบารมีท่านก็จะพ้นจากทุกข์สัตว์อื่นก็จะพ้นไปจากความทุกข์ก็ขวนขวายน้อมไปในการสร้างบารมีด้วยอนุภาพของเมตตาก็เลยเป็นปฏิปักษ์ต่อความเมือ่อเมื่อเห็นประโยชน์ของการมีเมตตาดังกล่าวไปแล้วก็เลยหักห้ามที่ ไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยเกลือกล้วไปอยู่ด้วยนิวรธรรมทั้งหลายพร้อมที่จะกำจัดบาปอากุศลที่สร้างความเสียหายความเลวร้ายที่เกิดในจิตใ จ, จเพราะว่า อ, อย่างที่ว่าคนที่สแสวงหาโพกษัพย์มัวแต่ติดการพนันเป็นต้นเนี่ยนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิเนะเสียหายเลยแหละหรือถ้าหาว่าคนที่สแสวงหาโพกษัทย์ประกอบอาชีพเกลียดทุกคนที่ประกอบอาชีพร่วมกันหมด จะเจริญได้ไหมฉันใดผู้ที่สแสวงหาบารมีธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันจึงไม่ติดในวัตถุกรรมแต่ก็ไม่เป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของตัวเองนน้อมนําไปในการเจริญเมตตาเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นจเจริญคุณธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่น นี่ต่อไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีอุเบกขาอุเบกขานั้นเป็นปฏิบัติต่อโลภะโทสะและโมหะสามารถกําจัดความคล้อยตามและความคับแค้นในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะโดยปกติเนี่ยนะคนที่ไม่มีอุเบกขาเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็คล้อยตามเอ็งตามไปหมดเลยเรียวว่าใกล้ต่อสิ่งยั่วยุก็โอนตามไปทุกอย่าง พอไปเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็มีแต่ความอึดอัดมีแต่ความคับแค้นมีแต่ความเดือดมีแต่ความเร่าร้อนนั่นก็อยู่ด้วยอุเบกขาไม่คล้อยตามสิ่งที่น่าปรารถนากําจัดการคล้อยตามสิ่งที่น่าปรารถนาเลิกคับแค้นในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาซึ่งเป็นฐานอย่างดีในการเจริญบารมีต่อไปอีกกลับมุนไปเจริญทานรักษาศีลอบรมเนคขมะมุนบุญกุศลอย่างเนี้ยโดยรอบเป็นตาย่าง ต่อเนื่องไม่ขาดสายทําอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทําด้วยความจริงจังเอาเป็นงานเป็นเป็นเป็นจริงเป็นจังจริงๆนะจริงยิ่งเท่าไหร่ทุกอย่างเกินชีวิตหมดสละชีวิตเพื่อการสร้างบารมีเหล่านี้ทั้งหมดมันจึงกําจัดความอาลายัยอาวร์ในชีวิตแต่ก็ไม่ได้เกลียดชิงชังต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทําแบบไม่ใช่ทําเพราะความโง่เขลางมงาย แต่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะทำด้วยสติด้วยปัญญาเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่มีการคิดชีวิตแค่ก็คนแค่คิดได้แค่แสนกับคนเหล่านั้นก็เป็นสาวกได้นะเป็นปกติสาวกทั่วๆวไปได้ถ้าคิดอะไรเป็นอสงไขยแสนกับเป็นอัครสาวกได้ถ้าคิดอะไรได้สองอสงไขยขึ้นไปก็เป็นพระปจเจกได้ ถ้าคิดอะไรเกินสี่สงไขยขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะมันพวกนี้ก็เขาคิดอะไรที่ระยะยาวระยะไกลมองการไกลไก ล, ไกลแค่ไหนจนกว่าจะเห็นอริยสัจธรรมน้าทะเลเนี่ยนะเขบอกว่าโอ้ยมันดูไกลแสนไกลแต่จะต้องมองให้ไกลให้ถึงฝั่งถ้ามองไม่ถึงฝั่งอยู่อาศัยทะเลต่อไปได้ไหมฉันใดสังสารวัตที่จมเต็มนองไปด้วย น้ำคือโลภะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ถึงฝั่งแห่งการตรัสรู้อริยศัสตร์จะทก็ยากเนี่ยนะเพราะว่าจะไกลขนาดไหนก็ยังต้องไปถ้าไม่ไปก็จมอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไปจนกว่าจะถึงฝั่งจนกว่าจะเห็นอริยศาสตร์ทั้งหลายพันสรุปว่าเนื่องจากมีบารมีทั้งสิบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบาปอากุศลจึงสามารถเจริญกุศลธรรมบุญกุศลเป็นไปอย่างดีและ สม่ำเสมอเนี่ยนะจึงมีการเจริญบุญกุศลได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ลุ่มลุมดอนดอนขาดความสม่ำเสมอเหมือนกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะนั้นเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอเรียกว่าเจริญกุศลได้อย่างสม่ำเสมออย่างคิดง่ายๆว่าหุงข้าวเนี่ยนะถ้าไฟไม่สม่ำเสมอเนี่ยข้าวจะเป็นยังไงก็ดิบๆสุกๆลยนะถ้าเสียงที่เราฟังเนี่ยนะเครื่องเสียงเนี่ยถ้าไฟเข้าไม่สม่ำเสมอเนี่ย แต่ยินเสียงจะได้ยินเป็นยังไงเนี่ยนะชีว like, like, ิตของเราถ้ามันแบบหัวใจของเราถ้าเกิดมันเต้นตุ๊บๆๆ๊แล้วมันหยุดเต้นแล้วมันก็เต้นตุ๊บตุแล้วก็หยุดเต้นถ้ามันไม่สม่ําเสมออะไรจะเกิดขึ้นท <on> ุกอย่างก็เหมือนกันถ้าไม่มีความสม่ําเสมอนะอย่างตาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระพริบเดี๋ยวมันก็ค้างเนี่ยมันก็หลับเนี่ยนะถ้ามันไม่สม่ําเสมออย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นเรือร้อนหมดนะขั้นขันเห็นเลยว่าความสม่ําเสมอและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ สำคัญก็รักษาคือเรียกว่ารักษาความสม่ําเสมอต่อไปได้รักษาความสม่ําเสมอรักษาสมดุลต่อไปได้จึงสามารถเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องแต่คนผ่านบอกว่าทายากเขาว่าั้นทํายากหรือไม่คิดจะทําอำสิปัญหามันว่าไอ้เขาบอกว่าทํายากไม่น่าหนักใจเท่ากับไม่คิดจะทำไอ้จิตที่ไม่คิดจะเจริญไม่คิดจะทําไม่มีอัตตะสัมาปณิทิอันนี้ยากสุ ด, สดๆเขาว่างั้น